Beep. <whistles> ก็รู้สึกยินดีมากที่ผมจะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ให้พระธรรมก็จะมาเป็นเพื่อนเป็นมิตรมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการความทุกข์ก็มีพุทธภาษิตกล่าวไว้ว่าความทุกข์เนี่ยเป็นภัยใหญ่ของคน ความทุกข์เป็นภัยใหญ่ของคนเพราะนั้นอะไรก็ตามที่มันเป็นภัยใหญ่ของคนแล้วก็มันก็ย่ายีคนเนี่ยให้เป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละนั่นเราจึงต้องมีการบริหารจัดการกับความทุกข์ให้ถูกต้องถ้าเราไม่จัดการกความทุกข์ซะก่อนเนี่ยเราก็อาจจะพ่ายแพ้กับความทุกข์ซึ่งชีวิตที่ผ่านมาเนี่ย เราเสียเปรียบความทุกมานานเราจะยอมเสียเปรียบความทุกไปจนตายหรือเราต้องคิดหาทางที่จะจัดการกับความทุกข์บ้างไม่ได้แก้แค้นก็เป็นการเอาชนะอย่างนิ่มๆวันนี้ถือว่าท่านพระมหาวุปติชัยได้ยกให้ผมเป็นเอกะทักฆะผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของความทุกข์ก็มีวงเล็บด้วยนะ การคลี่ปมในใจมันเป็นปมส่วนตัวเป็นปมชีวิตผมในฐานะของผู้ที่เป็นเจ้าของปมก็จะค่อยๆ ค, คลี่คลายไปตั้งแต่ต้นจนจบจากประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้แล้วก็ได้พบเห็นมาอันที่จริงเนี่ยการบริหารจัด ก, การาความทุกเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของผมคนเดียวนะเป็นเรื่องของคนทุกคน ขอคนทุกท่านหน้าตาแป๋วที่จะต้องร่วมกันบริหารจริงๆอันนี้เป็นกองทุกทุกคนเพราะว่าคนทุกคนเนี่ยประกอบไปด้วยขันทั้งห้าขันทั้งห้าเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งกองทุกทั้งปวงแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเรา ความทุกข์อะไรไม่เกินเท่ากับการยึดมั่นถือมั่นอย่างในบทสวดมนต์ตอนเช้าเขาสรุปลงว่าไอทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนี่ว่าโดยย่อแล้วอุปทานในการทั้ง5้าคือตัวทุกข์ความทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจคือการบีบคั้นจิตใจถูกบีบคั้นทนได้ยาก ซึ่งไม่มีใครต้องการเพราะมันเหี่ยวแห้งมันแห้งแรงมันต่างความสุขความสุขเนี่ยมันมีแต่ความแช่มชื่นมีความสบายกายสบายใจทุกคนต่างพากันแสวงหานั่นคือความสุขผมเลยมักจะพูดเล่นๆก็จะติธรรมว่าความสุขเนี่ยมันเหมือนคนที่เรารัก ส่วนความทุกข์เหมือนคนที่รักเราความสุขเหมือนคนที่เรารักยังไงคือคนที่เรารักเนี่ยเรามักจะบุ้งแสแงหาติดตามตามติดตามดูตา ม, ตตา ม, ตามเห็นแต่ก็มักจะผิดหวังนะมักจะถูกหลอกลวงแล้วก็เล่นตัวคนที่เรารักก็เล่นตัวบางทีทำให้เราเป็นทุกข์บาที่ถึงกับต้องฆ่าตัวตาย เพราะคนที่เราลักซึ่งมันต่างกับความทุกข์เนี่ยเหมือนคนที่รักเราโอ้มันซื่อสัตย์ตัวเราติดตามตัวเราไปอยู่กับเราตนชั่วฟ้าดินสลายเลยไม่มีวันจะพลากจากการนอกจากความตายนั่นคือคนที่รักเราซื่อสัตย์ตัวเราเนี่ยดูตัวนี้นั่งเมื่อยใช่หไหม <c oughs> นี่แหละคนที่มันรักเราอยู่กับเนื้อกับตัวเราเป็นเงาติดตามตัวเราแล้วเขาบอกอะไรเราตรงๆไม่เคยโกหกเรา แลไม่ค่อยทำให้เราผิดหวังนึกที่รเจอทุกทีเนี่ยคนที่รักเราและอุ่มมาไว้สั้นๆแบบนี้แหละความสุขเหมือนคนที่เรารักความทุกข์เหมือนคนที่รักเราแล้วทีไรก็ น, นั่นเนี่ยความสุขเนี่ยมันจะเป็นอาหารของกิเลสแต่ความทุกข์เนี่ยเป็นอาหารของปัญญาได้ปัญญาจากความทุกข์ได้ปัญญาจากสิ่งที่มันขัดอกขัดใจเรา คนที่บรรลุธรรมด้วยความสุขไม่ค่อยมีส่วนมากบรรลุธรรมเพราะเห็นทุกข์ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราจะบริหารจัดการกับความทุกข์เนี่ยลองอาศัยอุปกรณ์หลาหลักธรรมหลักธรรมในพุทธศาสนาที่เรียกว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานเนี่ยเป็นผู้ที่บริหารจัดการกความทุกข์ได้อย่างเด็ดขาดเพราะอะไรเพราะว่าผู้ที่ ปฏิบัติตามหลักธรรมด้วยสติปัฏฐานอย่างถูกต้องและก็มากเพียงพอผลที่ได้รับก็คือสามารถก้าวล่วงจากความโศกเศร้าพิไร ล, ลำพันธ์ล่วงพ้นจากความทุกข์กายและก็ทุกข์ใจอันนี้เป็นผลจะว่าไปแล้วสติปัฏฐานเนี่ยเหมือนกับยาซึ่งมันถูกกับโรคคือความทุกข์นีมันถูกกัน ยาต้องสติปัฐานถึงจะเอาชนะความทุกข์ได้สติปัฐานก็คือการเจริญสตินั่นเองการเจริญสติการทําความรู้สึกตัวอันนี้คือตัวปฏิในฐานะที่ผมเป็นเจ้าของปมผมก็อยากจะเล่าสักนิดหนึ่งย้อนหลังสักนิดหนึ่งคือเรื่องของการเจริญสติเนี่ยตามจริตนะของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกัน แต่ผมเนี่ยถูกจริดมากจริตของการจิสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพ่อเทียนกิตตสุพโพเนี่ยมันถูกเจริญกับผมมากแต่คนอื่นนี่ก็ไม่เป็นไรนะไม่จะเป็นต้องเหมือนกันก็ได้เะเรามันต่างกรรมต่างวารละมาไม่เหมือนกันแล้วก็จะไปไม่เหมือนกันแต่ผมเนี่ยถูกจริญกับการจิตสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพ่อเทียนเนี่ย เพราะว่าอะไรจริตของผมเนี่ยมันมีความทุกข์เป็นจริตมีความทุกข์เป็นจริตถ้าไม่มีความทุกข์เนี่ยมันไม่ต้องสนใจกับธรรมะเลยธรรมะไม่มีความจําเป็นกับเราถ้าเราไม่มีความทุกข์จริตผมมีความทุกข์ทุกเพราะว่าสภาพร่างกายที่มันไม่ปกติเนี่ย liking? มันไม่ปกติเนี่ยสร้างปัญหาจิตใจมากไม่ใช่เฉพาะร่างกายต้องไปทุกข์อย่างเดียวยจิตใจมากก็เป็นทุกข์ แล้วเป็นทุกข์มากกับร่างกายด้วยมันมีทั้งความผิดหวังน้อยเนื้อต่ำใจน้อยวาสนาโอ้บุญวาสนาเราไม่ดีเนาะเราสาใช้ชีวิตสาเราเรียนมาจนทั้งประสบความสำเร็จแต่ทำไมมั น, มนขาดเสีกลางทางนะชีวิตทำท่าจะไปได้ดีแล้วเนี่ยแต่ก็ต้องผิดหวังแล้วมันยิ่งคิดนะคิดปรุงแต่งคิดจนนอนไม่หลับ ปัญหาคือเรื่องของความคิดคิดดับเบิลคิดทุกข์เพราะความคิดและก็นอนไม่หลับผมนี่เป็นคนที่นอนไม่หลับมาก่อนเพราะว่าความคิดมันปรุงแต่งมากอันนี้คือจริตคือคิดมากมันเป็นทุกข์เพราะความคิดแต่พอไม่คิดแล้วจิตมันก็เหงาซึมซึมเศร้าเบื่อกลุ่มเซงเหงาโอ้ในก็ทุกมันไม่ไปทางฟุง้ง มันก็ไปทางหน่อยมันสุดโตทั้งสองด้านเลยไม่เจอทางสายกลางเนี่ยจะตดีของผมเป็นอย่างนั้นแต่จะเป็นต้องใช้การจิตติติแบบเคลื่อนไหวในช่วยช่วยจิตช่วยใจเพราะว่าการมีสติรู้กายเคลื่อนไหวอาการของกายเคลื่อนไหวที่เรียกว่ากายานุปัสนาสติปัฏฐานเนี่ยอาการของกายเคลื่อนไหวที่มันไม่ยอมหยุดนิ่งเนี่ย มันช่วยกระตุ้นช่วยกระตุ้นจิตเขย่าจิตให้มันตื่นให้มันตื่นเขาไว้ไม่งั้นจิตมันก็จะหลายไปกับความคิดแล้วก็หลไปกับความง่วงให้จิตมันตื่นมันช่วยได้นะนอกจากทำให้จิตมันตื่นแล้วถ้าไม่อยู่กับปัจจุบันอยู่กันเนื้อกับตัวได้มากยิ่งขึ้นหมาๆก็รู้กายเพียงอย่างเดียวไม่ได้สนใจกับมันจิตใจหรอกมันเหมือนคนไม่มีจิตเลยเพราะว่ามันหาจิตไม่เจอแต่หากายเจอ จิตเราอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้มันหรือคนเหมือนคนไม่มีจิตเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ความคิดที่มันซ่อนอยู่ในจิตเนี่ยผมก็หาไม่เจอหาความคิดตัวเองไม่เจอเพราะเราเข้าอยู่ในความคิดซะหมดแล้วพอเราเข้าไปแล้วเราก็จะหาไม่เจอแล้วก็เลยไม่ค่อยสนใจจิตทิ้งไว้ก่อนมาสนใจเรื่องกายเอากายอย่างเดียวนะรู้กายเคลื่อนไหวกระตุ้นจิตให้มันตื่นเพราะจิตมันตื่นแล้วเนี่ยมันสามารถทะลุออกมาจากความคิดได้ มันตื่นออกมาจากความคิดฟุ้งซ่านมันตื่นออกมาจากความง่วงมันดีตรงนี้เพราะสายกายเป็นเครื่องเกาะเป็นที่เกาะเป็นที่รู้จิตก็ตื่นออกมาได้บางทีมันก็สงบเมื่อจิตมันสงบถ้าจิตไม่ตื่นนะไม่มีสติพอนะมันก็เข้าอยู่ในความสงบเลยพอสงบปั๊บเนี่ยจิตมันชอบความสงบมันก็ไหลเข้าไปสู่ในความสงบทันทีมันสบาย พอสงบแล้วก็ขี้เกียจขี้เกียจพอเกิดการขี้เกียจต่อจากความสงบมันก็หลับตอนนั้นเองมันก็ไม่ตื่นเนี่ยหลับมันคนเข้าอยู่ในถ้ำเลยพอสติมันตื่นแล้วมันไม่ยอมไม่ยอมเข้าไปมันรู้เห็นรู้เท่าทันในความสงบก่อนการปฏิบัติเนี่ยคนทุกคนเนี่ยจิตมันจะฟุ้งออกไปนอกตัวใช่ไหมฟุ้งออกไปข้างนอกเลยล่ะไม่มีฐานแต่พอฝึกสติแล้วปฏิบัติแล้วเนี่ยมันเริ่มเข้าสู่ความสงบ เข้าอยู่ในถ้าเลยสงบอยู่ในถ้ำไม่ไปข้างนอกก็เข้าข้างในมันก็สุดเบียงทั้งสองฝ่ายแต่พอฝึกสตินานๆแล้วเนี่ยเพราะจิตมันตื่นแล้วมันอยู่ตรงกลางอยู่ปากถ้าอยู่ปากถ้านี่เห็นในถ้ำด้วยนะคือความสงบแล้วก็เห็นนอกถ้าคือความไม่สงบแค่เพียงรู้สึกตัวเฉยๆรู้กายเฉยๆธรรมดาธรรมาแบบเล่นๆสบายๆายเนี่ยจิต มันจะเป็นกลางไปเองเป็นกลางระหว่างความสงบกับความพุ่งสร้างไม่สุดโต่งทั้งคู่จิตมันเป็นกลางแค่รู้กายอย่างเดียวเนี่ยจิตมันก็เป็นกลางได้เมื่อจิตเป็นกลางเนี่ยมันเริ่มเกิดปัญญามันเริ่มเห็นแล้วแต่การกระทํานั้นต้องต่อเนื่องนะไม่ใช่พอเคลื่อนไหวปับรู้สึกแล้วกลางไม่ใช่ ต้องรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆรู้เรื่อยๆรู้เล่นๆแล้วก็รู้เรื่อยๆสบายๆจิตมันก็มีแต่ความผ่อนคลายเพราะจิตเป็นการผ่อนคลายมันก็เกิดปัญญาเขาเรียกว่าเกิดเป็นธรรมวิจยตรใครก็ตามเมื่อฝึกจริตสติเนืองเนี่ยรู้สึกตัวบ่อยๆเนี่ยความหลงลืมตัวมันก็จะลดลงไปเมื่อมีความรู้สึกตัวมากขึ้น ให้จะความหลงลืนตัวเนี่ยมันค่อยๆลดลงไปโดยอัตโนมัติเลยไม่ต้องไปไล่ความหลงสร้างความรู้สึกเข้าไปมันก็เอาชนะความหลงได้ทําเพียงอย่างเดียวมันเกิดธรรมวิจยะคือสอนสองธรรมเนี่ยเห็นรูปเห็นนามเห็นความคิดเห็นจิตเห็นธรรมะเป็นลําดับเพียงแก้จิตมันตื่นรู้เนี่ยมันเห็นนะมันแยกกายแยก แยกรูปแยกนามเห็นจิตเห็นความคิดแล้วก็เห็นธรรมะที่เกิดจากความเพียงแค่เริ่มรู้กายแล้วมันก็เห็นจิตเห็นจิตแล้วก็ไปดูความคิดมันก็เห็นธรรมะจะว่าดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็เป็นลำดับไปโดยเฉพาะเรื่องของการแยกกายแยกจิตเนี่ยสำคัญมากแต่ก่อนก็เคยคิดว่าเราเนี่ย สภาพที่พิการอย่างเนี้ยตั้งแต่ปีพศ2522แบกความพิการทุกเพราะร่างกายพิการมา16ปีจนถึงปีพศ2538 16ปีแบกทุกเพราะความพิการมานัง16ปีเบื่อนยอยากจะออกจากความพิการแต่มันออกไม่ได้อยากจะออ ก, กออกไม่ได้จำเป็นต้องอยู่ความพิการอย่างนี้ กายก็พิการจิตก็เป็นทุก16ปียังเคยคิดฝึกถอดจิตเคยได้ยินไหมวิชาถอดจิตเนะี่ยถอดจิตออกจากร่างอะ่ะผมเคยทำนอนหลับตาอิูรยาบทส่วนใหญ่ผมเนี่ยนั่งไม่ได้นานหรอกนอนปฏิบัติใหม่ๆเริ่มฝึกทำสมาธินอนหลับตาพอหลับตาปับ๊บจิตก็คิดปรุงแต่งจิตเป็นดวง ค่อยๆลอยออกจากร่างกายหลุดปุ๊บออกไปเลยลอยตุ๊บปอกตุ๊บปอ ง, ปองมันลอยไปไม่ไกลหรอกดีือว่ากลับเข้าร่างอย่างงี้นะโอ้เพราะอะไรเพราะสัญญาคือความคิดยึดติดในกายเนี่ยมันยังไม่ขาดแม้จะคิดเป็นวิปัสสนึกไปเป็นที่ว่าสนึกไปมันก็ออกจากกายไม่ได้มันเป็นความคิดเนี่ยสัญญาไอ้ความยึดติดในกายมันไม่ยอมขาดทั้งร่างกายที่โส ม, มนส์เนี่ยจะ ออกไปมันก็ออกไม่ได้มันก็กลับคืนมาเพราะนั้นมันเป็นวิชาที่คิดเอาไม่ใช่วิปัสนาวิปัสสนึกก็ยังไม่ใช่ของจริงอยากออกกออกไม่ได้ก็กลับมาอยู่ในตัวเราเนี่ก็เป็นทุกข์เหมือนเดิมจงกทั่งอยู่มาบันหนึ่งได้ฝึกเจริญสติเนี่ยแบบเคลื่อนไหวในหลงมัธยีนเนี่ยรู้สึกตัวเฉยๆรู้สึกซื่อดีละพอจิตเป็นกลางเนี่ยมันเข้าไปแทรก มันเห็นสภาวะสองสภาวะไม่ติดกันเพราะจิตเป็นกลางเนี่ยเห็นสภาวะสองสภาวะไม่ติดกันสภาวะหนึ่งเป็นอาการที่มันไหวๆนั่นคือกายหรือรูปสมมุติว่ากายเป็นและก็รูปแต่มีอาการไหวๆอีกสภาวะหนึ่งเป็นสภาวะที่รู้เฉยๆอาการไหวๆส่วนหนึ่งอาการรู้ส่วนหนึ่งซึ่งไม่ใช่อันเดียวกัน ไอ้ที่ไหวๆเคลื่อนไปมานั่นคือกายไอ้ที่รู้นั่นคือจิตจิตที่มันรู้เฉยๆมันก็ไปแทรกแยกทั้งสองตัวออกจากกันโอ้นี่คือมันแยกกายแยกจิตออกจากกันไม่ใช่ความคิดแต่เป็นการตื่นรู้ที่เริ่มจากการรู้สึกตัวธรรมดามันแยกกายแยกจิตและมันแยกกันขาดไปเลยมันชัดเจนมากไม่ใช่ความคิด เนี่ยเป็นที่มาของการลาออกจากความพิการก็ตรงนี้แหละแยกกายแยกจิตชัดเจนมาเห็นกายส่วนหนึ่งจิตส่วนหนึ่งและมีความรู้สึกตัวส่วนหนึ่งมันแยกในช่วงนั้นอ่ะปีพศสองพโอ้มันลาออกจากความพิการรุ่นนั้นในมีเพลงเพลงหนึ่งของคุณบิลลี่โอแกนดังมากเลยอย่างนี้ต้องลาออกอย่างนี้ต้องลาออกนะ เพลงบิลลี่ออแกนขอลาออกเนี่ยโอ้มันช่วยเชียร์เราช่วยสนับสนุนเราเหมือนคนนักกีฬาที่มีกองเชียร์เข้ามาช่ว ย, ยมันก็มีกำลังใจและมันลาออกจากความพิการเลยไอ้ที่ความพิการที่เห็นเนี่ยมันเป็นเปลือกแต่จิตนี่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันเป็นเปลือกมีแต่คนพิการแต่ไม่มีความพิการคนพิการกับความพิการนี่ต่างกันนะ คนพิการเขียนด้วยตาให้ความพิการที่จิตใจก็เคยมีผู้พิการคนหนึ่งก็บอกว่าคนพิการเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีความพิการเสมอไปหรอกแต่ความพิการเนี่ยมักจะมีอยู่ในคนที่ไม่พิการงงไหมนั่นแหละอาการของความงงนะ่ะคือความพิการและคือความไม่ปกติไม่เป็นไรก็ขอให้ผ่านไปมันก็แยกจิตแยกกาย ด้วยความรู้สึกตัวนี่แแต่ก็ไม่แยกไปไหนนะอยู่ด้วยกันแบบเข้าใจกันอยู่ด้วยกันแบบเข้าใจกันอาศัยซึ่งกันและกันแต่เข้าใจกันแบบยอมรับไม่ขัดแย้งกันก็อยู่กับร่างกายที่เป็นการอย่างเงี้ยโดยที่เป็นเป็นการพึ่งพาอาศัยกันก็ดูแลกันไปมันจะทิ้งจากกันไปไม่ได้หรอกถ้าทิ้งจากกันไปแล้วก็หมายถึงตายจึงคิดในใจว่าเนี่ย ดูแล้วก็อ๋อเนี่เราไม่มีวันจะภาคจากกันนะอยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละเหมือนอย่างกับเราต้องอยู่กับคนคนหนึ่งที่เราไม่ชอบอยู่กับคนที่เราไม่ชอบเขาอาจจะเป็นคนดื้อด้านพูดไม่ได้ว่าไม่ฟังแต่จะเป็นต้องอยู่อาจจะอยู่ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นครอบครัวเดียวกันทำงานร่วมกันในสังคมเดียวกันในโลกใบเดียวกัน ต้องอยู่กับคนคนนี้โดยที่เราไม่อยากอยู่แต่จะเป็นต้องอยู่แล้วก็มันตัดไม่ได้ขายไม่ขาดต้องอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยแต่เราอยู่ด้วยการเข้าใจแล้วก็ยอมรับกันใจมันก็ไม่เป็นทุกข์เห็นไ้ยเคยไหมเราเคยอยู่คนที่เราไม่ชอบแต่จะเป็นต้องอยู่มีไหมคนก้อนน้องข้างเราเนั่นแหละมันดื้อมันบอกไม่ได้ว่าไม่ปังแต่ต้องอยู่กับเขาแต่ถ้าเราอยู่แบบเข้าใจเนี่ย เรายอมรับเ้าได้เนี่ยใจเราก็ไม่ทุกข์เหมือนกันนะแทนว่าผมอยู่กับความพิการเนี่ยอยู่ได้ยอมรับและเข้าใจกันไม่มีปัญหาใจเราก็ไม่เป็นทุกข์ก็รู้สึกตัวดูกายไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละพอดูกายเป็นนานอยู่กับคนที่เราไม่ชอบนา น, านเนี่ยมันเห็นความจริงมันน่าสงสารเห็นความดีของเขาเห็นความดีของกายโอ้กายนี่มันมนน่าสงสารนะ มันมีแต่ความทุกข์เดี๋ยวมันก็หิวแล้วมันก็ง่วงเดี๋ยวมันก็ต้องเคลื่อนไหวเดี๋ยวก็ต้องหายใจเข้าเดี๋ยวมันก็หายใจออกโอ้มันกลายเป็นหน้าสงสารสงสารกายซะแล้วเลยที่สาคัญก็คือเพราะจิตเนี่ยมันเกิดความประมาทรู้เท่าไม่ถึงการพากายไปกระโดดน้ําจนประสบอุบัติเหตุแล้วก็คอหักนายโอ้ยิ่งสงสารมันใหญ่เลยเป็นเพราะไอ้ความประมาทของจิตต่างหาที่ทําให้มันต้องพิการ ซึ่งมันสื่อสาตกว่าเรานะบอกให้มันทำมันก็ทำสงสารอยู่ด้วยกันแบบสงสารเหมือนอย่างกับเราลองเถอะคนที่เราไม่ชอบอยู่กับเราเนี่ยเราดูเข้าไปเถอะมองส่วนที่ดีของเขาแล้วเราจะเข้าใจเขาเราจะยอมรับเขาได้ทำไมเราจึงรังเกียจเขาเพราะว่าเมื่อในอดีตเนี่ยเขาทำอะไรกับเราไว้และในปัจจุบันเนี่ยเราไม่เคยรบ ภาพในอดีตเลยมองเขาในปัจจุบันเป็นคนในอดีตเสมอๆเราก็ลังเกตเขาตลอดไปมันไม่ยุติธรรมหรอกปัจจุบันเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ได้ทำไมเราต้องมองเขาเห็นเขาในสายตาเราในอดีตเนี่ยในสายตาเราเนี่ยเราเลยกลายเป็นคนที่เกลียดเขาตลอดชีวิตเลยถ้ามองเขาในปัจจุบันเนี่ยมันคนละคนกันนะมองความดีเขาบ้าง แล้วก็จะเข้าใจเขาแล้วก็ยอมรับก็ได้กลับกลายเป็นหุ่นดกหนใจเขาก็ได้เราเปลี่ยนวิธีการมองสมัยอย่ามองเข้าในอดีตถ้ามองเข้าในอดีตแล้วก็เขากลายเป็นคนที่เลวร้ายสุดในชีวิตเราของเราปัจจุบันเขาเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเห็นไหมชีวิตร่างกายผมก็เหมือนกันมองในปัจจุบันแล้วก็น่าสงสารอาศัยเข้ามาต้องนานถ้าไม่มีกายแล้วก็ตายไปแล้ว <c oughs> เข้าใจกันอยู่ด้วยกันแบบเข้าใจ ก็ดูแลกันไปเนี่ยก็พูดเรื่องการรู้กายแล้วก็เติดเปิดเปิดไปเรื่อยก็กลับมาดูเนื้อดูตัวกลับมาดูตัวเราต่อการจิตสตินี้ไม่ได้ดูนอกตัวนะดูตัวเองสักเก้าสบอร์นอ้างนอกก็ดูเหมือนกันแต่ดูแบบไม่ค่อยจริงจังดูตัวเราจริงจังกว่าก็ดูกายไปนานเนี่ยเท่ากับเห็นทุกข์มันมากมายสงสารมันสงสารกายพบเองเนี่ย ทุกคเวทนาของกายเนี่ยมันรุนแรงมากผมอยู่กับเขาเนี่ยผมมองเห็นกายเนี่ยเป็นคนป่วยกายคือผู้ป่วยจิตคือผู้ดูแลสติปัญญาเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลคอยกำลังใจคอยแก้ปัญหาไม่ได้มีตัวเราหรอกมีคนป่วยมีผู้ดูแลแล้วก็ผู้ที่ให้คำแนะนำคือสติปัญญาก็อยู่กันไปอย่างเนี้ย แล้วสภาพอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยรู้สึกอะไรร่างกายผมเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้ไปถึงปลายเท้าเนี่ยถ้าจะไม่รู้สึกตัวเลยเอาเข็มแทงก็ไม่เจ็บมดกัดก็ไม่เจ็บแมงป่องต่อยก็ไม่รู้สึกถูกความร้อนก็ไม่รู้สึกเนี่ยคือส่วนของกายไม่ค่อยปวด <c oughs> เนื้อตัวผมไม่ค่อยปวดไม่ค่อยเมื่อยดีไหมดีเหรอเป็นอย่างผมไหเนี่ยประสาท รับความรู้สึกเนี่ยมันด้านชาไปหมดแล้วแต่ว่ามันมีประสาทอัตโนมัติอยู่ในตัวเนี่ยมันสามารถรับความรู้สึกได้ผมยังรู้สึกเจ็บอยู่ข้างในอาการที่มันเหน็บชาตลอดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยอาการจุกเสียดแน่นอึดอัดยังมีอยู่เป็นประจำเนี่ยคนที่กระดูกหักระดับห้าเนี่ยมองควบคุมการหายใจผมนี่หายใจได้ไม่เต็มร้อยหรอไอ้ต้องขยับขเคลื่อ น, นไหวบ่อยเนี่ย เป็นการช่วยหายใจพอทานเข้าวเสร็จต้องขยับตัวช่วยย่อยประสาทอัตโนมัติมันยังทํางานอยู่นั่นผมจะมีทุกขเวทนาตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นคนที่รักเราจริงๆนะเป็นเงาตามตัวเลยพอรู้ได้ก็อ๋อเนี่ยทุกมาแล้วคุณครูเวทนาพผกเองบางทีต้องใช้นะใช้ทุกขเวทนาเนี่ยเป็นอารมณ์การเจารสติทุกทางกายที่ผมมีอยู่เนี่ย หมอรักษาไม่หายกินยาขนาดไหนก็ไม่หายก็ยังมีอาการชาอึดอัดแน่นจุกเสียดแน่นก็จะมีอยู่เป็นประจำอ่ะเมื่ออยู่ด้วยกันกับกายก็ไม่เป็นไรหรอกเราก็ไม่ปล่อยให้มันอยู่เปล่าๆก็ใช้มั น, น, ใ, นาาให้เป็นประโยชน์ใช้ทุกเวทนาทางกายให้เป็นประโยชน์เอามาเจริญสติมีหลายครั้งผมเอาเวทนาเนี่ยมาเป็นอารมณ์ให้สติรู้ไม่ได้เป็นเครื่องอยู่ เป็นเครื่องรู้ถ้าอยู่กับทุกเวทนาแล้วก็เป็นทุกเอาทุกเวทนาเป็นเครื่องรู้ก็รู้ได้เรื่อยมีสติรู้ในเวทนาที่เกิดจากตัวเองอันนี้เป็นประโยชน์มากการรู้ทุกเวทนาเนี่ยต้องรู้แบบดูดูดูอยู่ห่างรู้เฉยเหมือนกําลังดูคนอื่นที่มันกําลังเกิดความทุกข์ ซึ่งไม่ใช่เราหมันดูคนอื่นที่มันป่วยมันไข้ซึ่งไม่ใช่เราดู้เฉยแบบเนียบางทีทุกทางการมันก็รุนแรงร่างกายก็กระสรับกระส่ายให้เห็นเลยกายมีอาการกระสรับกระส่ายแต่จิตเป็นปกติเพราะมีสติรู้อยู่กายกระสรับกระส่ายแต่จิตปกติรู้เฉยถ้าเผลอสติจิตก็เข้าอยู่ในทุกขเวทนา มันก็ทุกทั้งกายทั้งจิตสติเกิดจิตมันตื่นออกจากทุกขเวทนาสนุกดูสนุก ด, กดูวิ่งเข้าวิ่งออกไงละ่ะจิตมันก็อยู่ไงละ่ะมันก็สนุกเหมือนกันบางทีเห็นทุกขเวทนาเนี่ยมันรุนแรงมากก็ดูไปเรื่อยๆพอดูถึงจุดจุดยอดของทุกขมันก็ลดลง <c oughs> เคยดูอาการปวดฟันไหมอาการปวดฟันนะดูฟันปวดแต่อย่าเข้าไปปวด เห็นว่าอาการปวดเนี่ยมันจี้จี้จจี้ถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยมันลดลงทนสักหน่อยทนดูให้มันถึงที่สุดเลยถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันมันที่สุดที่สุดแล้วเดี๋ยวมันก็ลดลงความปลัวก็ดีความกลัวก็ดีดูให้ถึงที่สุดเดี๋ยวมันก็จะลดลงไม่มีอะไรแล้วที่มันเที่ยงแท้แน่นอนมันขึ้นแล้วมันก็ลงทุกขเวทนาทางกายก็เหมือนกันดูเฉยๆให้มันถึงที่สุดแล้ว เดมันมก็จะลดลงกลายกระสับกราสายแต่จิตรู้เฉยๆรู้เฉยๆอย่างนี้แหละรู้แบบยอมรับรู้แบบยอมรับอย่าไปต่อต้านอย่าไปอยากให้มันหายมันจะหายเลยไม่หายก็เป็นเรื่องเวทนาเหลืองเราคือรู้มันเฉยๆอย่างนั้นอย่างเงี้ยจิตมันจะเป็นกลางที่แท้จริงอย่าไปต่อต้านแค่รู้เฉยๆเราจะเห็นเวทนามันมีแต่การเปลี่ยนแปลง ศักแต่ว่าเวทนาได้เลยนะเห็นสักแต่ว่าเ ว, าเวทนาเวทนาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตเราเราอย่ารังเกียจแต่ว่าอันนี้คือส่วนหนึ่งของชีวิตเราทุกขเวทนาทางกายเนี่ยถ้าเราไม่ไปปรุงแต่งต่อเติมแล้วก็มันอยู่ในวิสัยที่เราทนได้แล้วลองว่าทนได้ก็อยู่กันไปให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรากันแล้วกันเป็นศักแต่ว่าเวทนา ให้เรารู้เท่านั้นรู้ไปเรื่อยมันก็จะเคยชินนะอยู่กับทุกขเวทนาจนเคยชินนะแล้วมันจะไม่ค่อยทุกข์ละไอ้ความเคยชินเนี่ยเหมือนเป็นความคุ้นเคยวิสาสะปรามายาสะความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งทุกขเวทนาเป็นญาติของเราเนี่ยก็เคยฟังเขาเล่าทานเรื่องหนึ่งว่ามีชายคนหนึ่งเขาเป็นคนที่มีความโชคร้ายมาก วิที่ผ่านมาทั้งชีวิตเนี่ยมีแต่ความโชคร้ายเขาก็อยากรู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะโชคดีสักทีเขาก็ไปหาหมอดูไปถามหมอดูว่าคุณหมอครับผมนี่เป็นคนที่โชคร้ายโชคร้ายมากเลยผมจะโชคดีไหมคุณหมอบอกว่าอ๋อคุณจะโชคร้ายแบบนี้ไปอีกสิบปีโอยเ้าดีใจใหญ่เลยรีบบอกกับหมอว่าและหลังจากนั้นผมจะโชคดีใช่ไหมหมอบอกว่าเปล่า คุณจะเคยชินไปเองเออมันตรงกับชีวิตเราเนะกมันก็เคยชินไปเองคุณจะเคยชินไปเอง <_ S 1> เคยชินนหที่จริงถ้าไม่นั่งฟังธรรมเนี่ยอยู่ไม่ได้นะไอ้ความปวดอย่างเงี้ยแต่ว่าที่อยู่ได้เพราะมันเคยชินเพราะนั้นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยพอเริ่มปฏิบัติธรรมมันก็นั่งหลับตาปฏิบัติธรรมก็ไม่อยากให้เกิดทุกขเวทนา ไม่อยากให้มันปวดไม่อยากให้มันเมื่อยอยากให้นั่งได้นานๆแปบนั้นไหมอยากให้นั่งนานๆพอมีอาการปวดเมื่อยชักอึดอัดนะแม่มันนั่งได้ไม่นานเลยครั้งนี้นั่งได้แค่สิบนาทีเท่านั้นะไปไม่พอใจในทุกขเวทนาทั้งๆ ท, ที่ร่างกายเนี่ยเขาบอกบอกสภาวะธรรมว่ามันอยู่สภาพที่ทนไม่ได้มันบอกความทุกข์ออกมามันมีสัญญาณเตือนภยัยบอกว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์แต่เราก็ไม่พอใจมัน ไปทุกไปกับมันถ้าอยากนั่งแล้วไม่เปิดไม่เมื่อยเนี่ยก็คือคนที่เป็นอย่างผมเนี่ยไม่ค่อยปวดไม่ค่อยเมื่อยเพราะฉะนั้นดีแล้วขอบคุณมันที่ร่างกายมันยังปกติต้องขอบคุณมันอย่าไปเครียดต่อมันมันเมื่อยมันปวดก็มีสติรู้แล้วก็เปลี่ยนอย่างมีสติไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องเครียดคือเรื่องของกายเนี่ยมันก็เรื่องของความทุกข์ตรงนั้นถ้ากายไม่มีทุกข์น่ยมันก็ไม่ใช่กายแล้วกายมันต้องเป็นทุก สภาวะทำของกายต้องเป็นอย่างนั้นเพระาะฉะนั้นอย่าไป เ, <c oughs> เครียดกับมันดีละที่ร่างกายมันมีสัญญาณเตือนภัยมันบอกว่ามันทุกจะได้เปลี่ยนอย่างมีสติเราจะได้เห็นทุกมันะเพระาะฉะนั้นอย่าไปเครียดกับมันนะเนี่ยถ้ามันนั่งแล้วไม่เมื่อยเนี่ยก็หมายถึงผมเนี่แหละไม่ค่ยเมื่อยในการปวดมันก็ไม่ดีนะเพราะว่าร่างกายมันต้องบอกนะถ้าไม่ปวดไม่เมื่อยลําบากมากเลยเนี่ยอย่างผมเนี่ย มีหลายครั้งเนี่ยผมไปจับไปจับแก้วที่มันร้อนเนี่ยผมไม่รู้สึกอะแก้วที่ร้อนร้อนเนี่ยเวลาไปจับเนี่ยไม่รู้สึกร้อนแต่เวลามันพองอ๋อนี่มันร้อนจนแขนนิ้วมันพองแล้วที่ว่าร้อนนบางทีจับแก้วมาเนี่ยไม่รู้ว่าร้อนหรือเย็นนั้นเอามาแตะที่แก้มก่อนอ๋อนี่มันเย็นอ๋อนี่มันร้อนมันพองหลายครั้งเพราะเราไม่รู้สึกแล้วไปจับก็นั้นร่างกายมันรู้สึกได้มันเจ็บมันปวดมันเมื่อยมันร้อนมันหนาวก็ ขอบคุณมันที่มันทำงานตามปรกรติอย่าไปเปลี่ยนแปลงมันอันนี้คือทุกข์ทางกายฝึกเอาไว้นะการฝึกสติดูเวทนาฝึกเอาไว้มันเป็นประโยชน์สำหรับเราเพราะคนทุกคนเนี่ยสักวันหนึ่งจะต้องเจอกับทุกขเวทนาที่รุนแรงแล้วมันทนได้ยากบางคนบอกว่าตายไม่กลัวกลัวเจ็บตายก็ไม่กลัวเจ็บก็ไม่กลัวกลัวแก่สรุปแล้วตายไม่กลัว เจ็บไม่กลัวแก่ไม่กลัวกลัวทุกเนี่ยไอ้ความกลัวเป็นสัญชตญาณของคนอยู่แล้วมาให้เราฝึกเอาไว้ฝึกดูเวทนาบ้างฝึกดูเวทนาบ้างบางทีเราอาจจะเผชิญหน้ากับทุกเวทนาที่มันรุนแรงแสนสาหัสเราจะได้มีสติบริหารและจัด ก, การจากทุกเวทนาอย่างถูกต้องฝึกดูไว้บ้างอย่างเช่นตัวยอย่างอย่าง ครูบาาจารย์หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อกำเขียนท่านก็เป็นมะเร็งทั้งคู่เลยนะทั้งสองท่านเลยหลวงพ่อเทียนเนี่ยเป็นมะเร็งที่กระเพาะอาหารต้องตัดเนื้อในกระเพาะอาหารออกต้องสี่ห้ากิโลหลวงพ่อกำเขียนเนี่ยเป็นมะเร็งที่ต่อมน้ำเหลืองหายใจไม่ออกเกือบเอาชีวิตไม่รอดทั้งสองท่านเนี่ยมีทุกขเวทนาที่แรงกล้าแสนสาหัสแต่ใจท่านเป็นปกติ ใจท่านปกติเพราะท่านมีความรู้สึกตัวมีสติรักษาจิตให้ปกติได้ใน่ามกลางกายที่มีทุกข์หนักแสนสาหัสหลวงพ่อเขียนเนี่ยผมไปกราบท่านตอนท่านอยู่ที่โรงพยาบาลจุลาไปกราบท่านตอนท่านเป็นมะเร็งท่านจ่าใสมากท่านบอกสนุกป่วยสนุกดียายทาไปเยี่ยมท่านเนี่ยหน้าตาเค้่งเครียดหลวงพ่อบอกว่า ขอร้องอย่าเป็นทุกข์อย่าเป็นทุกข์อย่าเป็นทุกข์แทนหลวงพ่อท่านต้องขอร้องนะจิตตั้งเข้มแข็งเพราะท่านมีความรู้สึกตัวมีสติให้ตามดูตามรู้แล้วก็แยกจิตออกจากทุกขเวทนาได้ผมเองก็ฝึกเหมือนกันเน่ยทุกขเวทนาแค่เนี้ยมันยังยังน้อยอยู่เพราะต่อไปข้างหน้าอาจจะมีทุกขเวทนารุนแรงมากกว่านี้ก็ได้เราจะได้มีสติเอาชนะมัน ก็ยังฝึกอยู่ทุกวันนีก็ต้องฝึกดูทุกกายไปเรื่อยๆเอาทุกกายเป็นเครื่องรู้ถ้าเราโชคร้ายต้องเป็นมะเร็งแบบท่านเนี่ยเราจะทนได้ไหมฉีดคีโมก็ไม่ได้หายใจก็ลำบากก็คงจะลำบากนะถ้าเราเป็นมะเร็งหกเดือนแรกมันก็มะเร็งนะหลังจากนั้นมันก็มายิงเราจนตายกพราะต้องฝึกไว้ก่อนไม่ได้แช่งตัวเอง แต่ถ้ามันเป็นก็ดีเหมือนกันนะถือว่าเรามาถูกทางหลวงพ่าเทียนแล้วถูกทางครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยไม่เสียนก็ต้องฝึกไปอยู่เรื่อยๆ อ, อันที่จริงแล้วปัญหาที่แท้จริงเนี่ยที่กายไม่ใช่กายเป็นทุกข์กายเป็นทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาปัญหาที่จิตใจไม่อยากเป็นทุกข์เนี่ยใจเนี่ยมันไม่อยากเนี่ยทุติบอกว่าไอ้ความพิการเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหา ป้านายที่ความไม่อยากพิการทุกทางกายเนี่ยมันไม่เท่าไรเท่ากับจิตที่มันคิดต่อต้านมันไม่อยากเนี่ยจิตที่มันไม่อยากนี่แหละมันทำให้ทุกข์หนักอันนี้มรุนแรงมากมันเกิดจากความคิดไม่อยากเป็นทุกข์ไม่อยากพิการไม่อยากมีโรคภายไข้เจ็บอยากให้มันหายไวๆอยากหนีอยากหลุดอยากพ้นอยากปฏิบัติทำให้พ้นทุกข์ไอความอยากแบบเนี่ย เพราะว่ามันทุกข์มากกว่าทุกเกิดจากการปรุงแต่งมันรุนแรงกว่าทุกทางกายนะทุกจากจิตที่มันปรุงแต่งเนี่ยภัยร้ายที่น่ากลัวเนี่ยคือการปรุงแต่งในจิตใจนี่แหละน่ากลัวกว่าก็คือความคิดมันคิดทั้งวันทั้งคืนด้วยกลางคืนก็ฝันกลางวันก็คิดจิตไม่ปกตินคิด เป็นเรื่องเป็นราวร้อยแปดพันตระการเพราะความคิดัตงั้นเลยพอมาเกิดความคิดขึ้นมาเราไม่มีสติเราเข้าไปอยู่ในความคิดเลยแต่ที่ความคิดก็พาไปทำให้จิตนี้มันต้องเหน็ดเหนื่อยกระวนกระวายไม่ปกติเป็นทุกข์เพราะความคิดัตงั้นคนเราไอ้ความคิดเนี่ยมันอย่างกับเป็นคุกขังจิตให้หมดอิสระภาพนะ มันคุกขังจิตเนี่ยคือตัวปมละปมของชวิตคือความคิดทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยเป็นคุกทำให้จิตต้องเหน็ดเหนื่อยกระวนกระวายไม่ปกติเนี่ยมันเป็นทุกข์ที่แท้จริงแล้วก็ออกได้ยากด้วยเพราะเราเข้าอยู่ในความคิดทีแรกเพราะเราขาดสติมันแปลกที่ว่าเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็กลัวไหลไปกับความคิดใช่ไหมเรากลัวหลไปกับความคิด มีสติเขาไว้จะได้ไม่ไหลไปกับความคิดแต่เราขาดสติไปห้ามความคิดมีสติไม่ไหลไปกับความคิดแต่ขาดสติไปต่อต้านความคิดจิตมันก็ไม่เป็นกลางที่แท้จริงแต่พอเราฝึกสตินานๆเนี่ยเจริญสติบ่อยๆรู้สึตัวบ่อยๆเนี่ยเมื่อเห็นความคิดเนี่ยเราไม่ต้องไปทําอะไรเรารู้เฉยๆไม่ต้องหนีไม่ต้องสู้ รู้เฉยๆแล้วความคิดก็จะดับไปทันทีเลยมันขาดเหมือนหนังขาดความคิดมันขาดเกิดความคิดขึ้นมาเนี่ยมีสติรู้เฉยๆรู้ซื่อๆไม่ต้องหนีไม่ต้องสู้รู้เฉยๆความคิดมันก็จะขาดเองมันเกิดดับเกิดดับมันเกิดเพราะเราขาดสติพอมีสติมันก็ดับเหมือนกันเหมือนคลื่นในทะเลไหม มันก่อตัวขึ้นมาเนี่ยก่อตัวขึ้นมาแล้วมันก็มันก็วิ่งเข้ามาสู่ฝั่งกระแทกกับโขดหินมันก็แตกกระจายแล้วมันก็ก่อตัวขึ้นมาอีกนะก่อตัวขึ้นมาเรื่อยแล้วก็กระแทกปะทะกับโขดหินก็แตกกระจายคลื่นทะเลมันก็เหมือนคลื่นอารมณ์นะั้นนะมันคลื่นความคิดมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องดับไอ้ที่ไม่ดับเพราะว่าเราไปปรุงแต่งต่อเติมไปห้ามไปตาม มันก็ปรุงแต่งยิ่งห้ามยิ่งคิดดับเบิ้ลคิดคิดซ้อนคิดดับเบิลคิดถ้าไม่สติรู้เฉยเนี่ยความคิดอยู่ไม่ได้หรอกมันก็ดับไปต่อหน้าต่อตามันเป็นของเกิดดับเพราะนั้นการจิตสติเนี่ยเมื่อเห็นความคิดอย่าไปทำอะไรให้รู้เฉยๆแล้วมันก็ดับไปถึงเราไม่รู้มันก็ดับอยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่มันไม่ใช่ฝีไม้ลายมือของเรา แต่ขอรู้สักหน่อยมันก็ดับตัวหน้า ต, ตาสบายเลยความคิดเหมือนคุกขังจิตให้หมดอิสระภาพแต่สติสมรพัญญะเหมือนกุญแจไขจิตไปสู่อิสรภาพจิตมันก็เบิกบานมันก็มีความจิตมันก็เบิกบานนั้นการบริหารจัดการกับความทุกเนี่ยเราทำได้สองอย่างคือจัดการกับความทุกทางกายกับทุกทางจิต ทุกทางกายเนี่ยเราไปทำอะไรมันไม่ได้หรอกเราเพียงแค่ช่วยเหลือเข้าไปเกี่ยวข้องจะห้ามไม่ให้กายมีทุกข์เนี่ยมันห้ามไม่ได้แต่เราสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเราทำได้มันเมื่อยความเมื่อยไปทุกทางกายแล้วก็เปลี่ยนมันซะมันหิวก็ไปกินไม่ต้องโมโหบางคนหิวแล้วโมโหไม่ต้องโมโห มันหิวก็พากายไปกินวิ๋วเตี๋ยวหมดเรื่องหมดหลักมันปวดฟันใจก็เป็นทุกข์โอ้ไปทุกข์ทำไมฟันมันก็ปวดทุกข์พอแรงอยู่แล้วและใจถ้าเป็นทุกข์ด้วยก็พาฟันไปหาหมอก็จบกันเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างมีสติเมื่อร่างกายปว่วยไขย้ก็รักษาเยียวยากันไปความปว่วยทางกายเป็นเรื่องของหมอแต่าการของจิตเป็นเรื่องของเราปว่วยไข้ก็รักษาไปถ้ามันไม่หาย ก็ต้องยอมรับรักษากายต้องอย่าลืมรักษาจิตด้วยมันหายวางใจไ้เลยนะเวลากายป่วยไขย้ไปหาหมอทานยาแล้ววางใจไ้ว่าหายก็ดีไม่หายก็ไม่เป็นไรมันต้องรู้จักยอมรับความจริงมากกายต้องยอมรับความจริงยอมรับความจริงรักษาแล้วไม่หายก็ต้องยอมให้มันเป็นไปซะบ้าง ถึงคราวจะตายก็ยอมตายถ้าใจเราทำแบบนี้รู้จักยอมยอมยอมแล้วก็เราจะไม่มีทุกข์เลยไอ้ที่มีทุกข์เพราะเราไม่ยอม <c oughs> ยอมรับความจริงยอมให้มันเป็นไปถั้งสุดท้ายก็ยอมตายมันก็จบเรื่องของกายแต่เรื่องของจิตเนี่ยก็ต้องบริหารด้วยการมีสติรู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันใจ รู้แล้วปล่อยมันผ่านไปอย่าไปทําอะไรรู้แล้วปล่อยให้มันผ่านไ ป, ไปะไลปไปะทันทีรู้แล้วละปล่อยมันผ่านไปเพราะจิตเนี่ยเป็นทุกข์เพราะมันเอากิเลสมาสู่จิตใจเรากิเลสมันเกิดที่จิตไม่ต้องไปฆ่าไม่ต้องไปทําลายรู้แล้วไม่ต้องทําตามปล่อยมันผ่านไปไหมนิ่มไหมไปฆากิเลสเนี่ยมันจิตที่คิดจะฆ่าเนี่ยจิตมันดีไหม มันไม่ดีนะไม่ต้องไปทําตามมันเกิดความโลภ อ, อโหรลบแล้วปล่อยมันผ่านไปอย่าไปทําตามเกิดความโกรธให้มันโกรธอย่าไปทําตามรู้แล้วปล่อยมันผ่านไปมันกอชนะจิตใจเราได้ที่จริงแล้วการบริหารจัดการความทุกข์เนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะไม่ได้ต่อสู้การไปต่อสู้ความทุกข์เนี่ยมันมันทำให้เราต้องเหน็ดเหนื่อย ต่อสู้กับชีวิตเหนื่อยหัหยชีวิตคือการต่อสู้โอนเหนื่อยตายเลยการต่อสู้เนี่ยมันมีแพ้มีมชนะนะสู้ชีวิตเนี่ยมันมีแต่ผิดหวังนะชีวิตเนี่ยสู้ไม่ได้หรอกมันผิดหวังทั้งนั้นแล้วมันเหนื่อยด้วยชีวิตไม่ได้มีไว้เพื่อต่อสู้ชีวิตมีไว้เพื่อให้เรียนรู้การเรียนรู้เนี่ยมันมันแนบเนียนกว่ามันไม่ต้องไปทาอะไร แค่รู้ความจริงก็รู้ไปเรื่อยๆรู้แต่พื้อือไม่ได้ต่อสู้อะไรต่อสู้เหนื่อยแต่รู้นี่ไม่เหนื่อยมันไม่ยังกลับอะไรผู้ทำการกับผู้สังเกตการใครเหนื่อยเหมกันโอ้ผู้ทำการเหนื่อยผู้เล่นกับผู้ดูเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันผู้เป็นทุกข์กับผู้ดูทุกข์ใเหนื่ อ, อกันสบายเลยทุกข์มีไว้ให้เรียนรู้ ชีวิตไม่ให้เรียนรู้ไม่ใช่ต่อสู้การจัดการกับความทุกข์คือการเรียนรู้รู้เท่าทันแต่พอรู้ไปนานๆเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิตนะถ้ารู้ทุกข์ไปนา น, า น, นจิตมันเปลี่ยนแปลงนะมันเปลี่ยนมันได้ประสบการณ์ใหม่จิตมันเปลี่ยนมันได้ความรู้ใหม่ๆมันเริ่มฉลาดขึ้นรู้ทุกข์เนี่ยมันทาให้เราฉลาดมันเกิดการเปลี่ยนแปลง มันมีมุมมองชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเก่าอย่างผมเนี่ยไม่ท้อแท้กับการที่จะรู้มันแต่ก่อนมองตัวเองเนี่เป็นสิ่งที่ไร้ค่ามากแต่พอ ร, รู้ไปนานๆเนี่ยมันมองตัวเองเป็นสิ่งที่มีค่ารู้จักความหมายของชีวิตเข้าใจความหมายของชีวิตคุณค่าและความหมายของชีวิตอยู่ที่ไหนเคยหาคุณค่าและความหมายของชีวิตไหม คุณค่าและความหมายของชีวิตเนี่ยไม่ใช่มีทรัพย์สินเงินทองมากๆนะแล้วก็ไม่ใช่มีแต่ตำแหน่งหน้าที่งานสูงสูงอันนั้นเป็นคุณค่าไม่ใช่คุณค่าและความหมายของชีวิตอยู่ที่จิตไม่ทุกข์ต่างหากถ้าจิตไม่ทุกข์แล้วก็นั่นล่ะมีคุณค่าเป็นคุณค่าและความหมายของชีวิตจิตไม่ทุกข์มันมีชีวิตชีวาจิตที่มีทุกข์แม้มีพร้อมทุกอย่างแต่ใจยังมีทุกข์เนี่ย มันเหมือนคนที่ไม่มีชีวิตจีวามันมีชีวิตแ ต, s <S แ, anos, แต่ไม่มีชีวาแต่ถ้าไม่ทุกข์แล้วก็มีทั้งชีวิตแล้วก็มีชีวาคุณค่าและความหมายของชีวิตอยู่ที่จิตไม่ทุกข์ฟังเรื่องความทุกข์จิตก็ไม่ทุกข์เห็นเรื่องที่เป็นทุกข์จิตก็ไม่ทุกข์เผชิญหน้ากับความทุกข์จิตก็ไม่ทุกข์เพราะจิตมันมีภูมิต้านทานเวลาใครมาเล่าเรื่องความทุกข์ให้ฟังเนี่ยจิตก็ไม่ทุกข์เพราะอะไร พระจิตมันมีถังขยะประจำตัวถังขยะคืออะไรคืออนิจจังทุกขังอนัตตารับเรื่องอะไรมาแล้วเนี่ยมันทิ้งลงสู่ถังขยะหมดเลยถังขยะก้นรั่วรั่วลงสู่อนิจจังทุกขังอนัตตาไม่แบกเรื่องราวต่างๆเอาไว้ให้หนักออกหนักใจมันมีที่ทิ้งขยะคืออนิจจังทุกขังอนัตตามันมีที่ทิ้งพวกเองเนี่ฟังเรื่องความทุกขุมามากมายตัวเองก็เคยมีความทุกข์มา แก้ปัญหาตัวเองได้แล้วก็รับฟังความทุกจากคนอื่นคนที่มีความสุขเขาไม่ค่อยมาหาผมหรอกเพราะคนที่มีความทุกชอบเราถูกเจริญกับคนที่มีความทุกคนที่ปฏิบัติตามเก่งๆบรรลุธรรมแล้วเขาไม่ค่อยมาสนใจกับผมหรอกเอาคนที่เริ่มต้นปฏิบัติ่าชอบมาคุยกันคุยกันได้รับฟังเรื่องความทุกก็ยินดีนะการรับฟังเรื่องความทุก ปรึกษาเรื่องความทุกข์มันเป็นหน้าที่ของเราแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราที่ต้องเป็นทุกข์ด้วยรับฟังได้ในฐานะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์แต่ไม่ใช่น้าทีของเราต้องเป็นทุกข์มันมีที่ทิ้งเพราะฉะนั้นเราจะเจ อ, เจอความทุกข์มากขนาดไหนก็ตามเนี่ยมันไม่สําคัญเท่ากับเราวางจิตวางใจไว้อย่างไรทุกข์หนักขนาดไหนนี่ไม่สําคัญเท่ากับการวางจิตวางใจอย่างไร ถ้าเราต้องเผชิญหน้าความทุกข์แล้วขาดสติเข้าไปเป็นผู้ทุกข์เราก็ทุกข์แบบไม่เกรงอกเกรงใจใครเหมือนกันแต่ถ้าเราเจอความทุกข์แล้วมีสติรู้เท่าทันออกมาเป็นผู้เห็นทุกข์มันก็พ้นทุกข์แบบเย็นอกเย็นใจเหมือนกันสำคัญที่ว่าเราเข้าไปเป็นผู้ทุกข์หรือเป็นผู้เห็นทุกข์นั้นความทุกข์เนี่ยจว่าไปแล้วเนี่ย เป็นครูสอนธรรมะได้ดีเยี่ยมเลยความทุกข์เป็นครูสอนธรรมะได้ดีเยี่ยมในทางธรรมนั้นใครที่เห็นทุกข์บ่อยเห็นทุกข์มากนั่นคือผู้ที่โชคดีในทางธรรมนะอย่าปฏิเสธเพราะเห็นทุกข์มีค่าเท่ากับเห็นธรรมทีเดีอย่างไรก็ตามความทุกข์ไม่ได้มีไว้ให้เรายอมแพ้ความทุกข์ ไม่ได้มีไว้ให้เรายอมจำนนความทุกข์ไม่ได้มีไว้ให้เราเป็นแต่ความทุกข์มีไว้เพื่อให้เราได้บริหารแล้วก็จัดการเราจะบริหารจัดการความทุกข์ดนนั้นก็ต้องอาศัยหลักธรรมที่เรียกว่าสติปัฏฐานเราจะได้ก้าวล่วงความโศกเศร้าวความพิํำพันอยู่เหนือความทุกข์กายทุกข์ใจได้ด้วยการเจริญสติตามหลักธรรมที่เรียกว่าสติปัฏฐานเนี่ย ว, วันเนี้ย ก็เป็นโอกาสดีที่ได้มาให้แง่คิดเกี่ยว่องการบริหารจัดการความทุกข์ก็ไม่ได้มาสอนนะก้อขอไปไม่ได้มาสอนแลมาเล่าสู่กันฟังไม่จะเป็นต้องเชื่อแต่ว่าอย่าปฏิเสธอย่าดวนรับอย่าดวนปฏิเสธก็นำเอาไว้พิจารณาบางทีอาจจะเป็นประโยชน์กับจริยธรรมบ้างไม่มากก็น้อยมาพูดเรื่องการบริหารจัดการและความทุกข์ ไม่ได้มาแจกทุกหรือมาช่วยให้ท่านเป็นทุกข์แต่มาคลี่ปมในใจให้ท่านคลายทุกข์ได้บ้างเอาละก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาสุดท้ายนี้เขาอวยพรให้กับญาติธรรมทุกท่านจงได้พาการบริหารจัดการกความทุกข์ด้วยการปฏิบัติธรรมตามหลักสติปัฏฐานแล้วก็ได้รับชัยชนะสามารถก้าวล่วงความโศกเศร้า ความพิลัยลำพันธ์จิตยอยู่เหนือความทุกข์กายแล้วก็ทุกข์ใจด้วยการทุกท่านทุกคนเธอ